อิ่มไหมเหนื่อยัหมง่วงมัไหมวางเงินเด็ด <c oughs> ต้องทำก็เพื่อให้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติที่เรามีความมุ่งหมาย เข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวนไม่ได้พ <c oughs> ื้นฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันประกอบไปเยสถานที่ประกอบไปเลยเวลาแก่ประกอบไปเยบุคคลได้ประกอบไปเลยธรร ม, มะการฟประคำ ต้งเรื่องสถานที่เป่นอยู่ในวัดนะเนี่ยมันมีความสงบมีในป่าจะรู้ความสงบเมื่อ <c oughs> พูดอะไรออกไปก็ได้ยินขนาดใกล้ที่นั่นระสานที่มันสมควรสถานที่นในสมควรไอ้คนร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเล่นอะไรก็เล่นมีวุ่นวายมีมุะทะเบียดกัน หลวงพ่อเคยไปงานมงคลไม่ใช่งานมงคลา ง, งานอะมงคลครับเข้าไปก็อยากจะฟังเทศรับศีลแต่เขาไม่นสนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินอยู่ทั้งหลายวัดอย่างเป็นมนพระเทศตรงนั้นนะอนีเรียกว่าสถานที่นั่นต้องไปสมควรเวลา น, น, นันสมควร บุคคลนั่นก็ไม่สมควรไม่ควรที่จะวางธรรมะเจตนาในตรงนั้นการฟังธรรมะให้เราเป็นถูกฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดเราเป็นผูกฟังฟังไปเถอะฟังไปเดียวเอาไปจิจารณา อย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันผิดให้ฟังฟังไวเอาไปกรองซะ ก, ก่อนกลั่นซะก่อ น, กกอนคือเอาไปภาวานาเอาไปพิจรารณาเราเรียกว่าภาวานากันในภาษ า, ษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจรารณาการพิจรารณามาเข้าถึงธรรมะ ท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาก็คือการที่จรนาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้ น, นเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูดในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันการที่จรนา การภาวนาอันหนึ่งมันเป็นภาษาโลกอันหนึ่งมันเป็นภาษาธรรม <c oughs> เราจะรับฟังพระธรรมเทศานานี้ก็เหมือนกับประึ่งว่าเราจะย้อมผ้าผ้าเราต้องการสีเราจะเอาไปย้อมจะทำยังไง โ, โดยปกติเราต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดอามาย้อมผีนั่นจะเอาผีอะไรใส่ที่เราชอบมันก็กินไม่ใช่ว่าไปบ้านไปบ้านเจ๊ไปเห็นผีก็สวยๆแล้วก็ชอบผีเขาแกจะามายอมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้ายู่ในบ้านเราไม่ได้ฟอก ไม่ได้ทัดไม่เอามายอมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยพื้นที่มันไม่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปียบอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> การที่เราจะเข้าสู่ดับธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำใจให้สะอาดคือพื้นฐานของมันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อวันนี้ให้ให้ใหธรรมทานสิงห์ มีสมมติฐานถิ่นแบบถึงพระรัตนตรัย้ก่อนแบบสมมติานถึงคือท่านเห็นถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมในพระสงฆ์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริรกรร ง, งก็คือธรรมะอย่าบอกพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติธปฏิบัติ ตามธรรมะที่พระศาสดารู้แล้วบางเป็นความจริงนั้นเรียกว่าเป็นผสมนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็เป็นผสมได้ตรงนี้หมายถเชื่อแกงตัวหมายถึง่งงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของท่านตางความจริงนี่นี่มนันเป็นผสมผู้ติดตามเรียกว่าคารัตนเตรัคือประพจน์หนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสรระงฆง นี่พระพุทธเจ้าของเราต้องการเราให้รู้เส ก, ก่อนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระเลึกยิ่งกลัวอะไรอะไรทั้งนั้นพูดถึงที่สุดคือพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้ดูเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ว่าก็ให้เคารพ บ, บูชาพ่อแม่ของเราแต่อย่ายิ่งไปกลัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะในะ คือพ่อแม่ของเราเนมีความเห็นผิด่มากหาทีกูจูงเรเขาไปในป่าหรือทไรแต่เราเชื่อแต่มาให้เดินกว่ายิ่งกว่าพระพุทธระธรรมประสง์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เดียวันเนี่ยพระ ภาทาันตนาใยประคฐประมประสงค์พูดง่ายง่าประคตกะรีพระธรรมปรีสะสมกะรีนั้นยื่นเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงอย่างนั้นท่านึชื่อเชื่อในความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดกันง่ายว่าท่านว่าให้เชื่อกรรมแต่การทำของเรา เราจะทาทางกายทางวาจาจิตอะไรที่มันปราชญ์จากโทษทั้งหมดเราก็ทำกรรมกรรมเป็นใหญ่คุณที่กรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกหน้าอัศจรรย์ก็มีหน้าเรียมใส่ก็มีหน้าอะไรต่งตางๆก็มีสาระสักอย่างอันนั้นเป็นจิตที่ริ เป็นมหาสัจจ์อะไรต่างๆหลายอย่างอย่างใดก็ตามมันเธอะพระพุทธเจ้าของเราทันว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเสาขันธ์ของเรากรรมเป็นพิุ่ธที่อาศัยพุทธการจะทำจะทำทางกายก็เรียกากายกรรมจะทำทางวาจาเรีว่าจีกรรมจะทาทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมคือการกระทำ ดังนั้นท่านจะให้เชื่อมั่นในเจ้าของที่การกระทำของเรานั่นเช่นว่าท่านให้เชื่ออาการภายนอกมากกว่าเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมะเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวามเมื่อเมื่อใดใจไม่สบาย บางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้จิมันเป็นอะไรไม่เนี่ยไปนค้นหาตัวจริงมันละใช่อย่างนี้เป็นต้นหมกอก็ทายให้ปีนี้ระวังนะไปรถก็ให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังระงวนะังอุบัติเหตุนะพอเรานั่งฟังก็เลยเป็นคราะเลยระวัง อย่างนี้ที่คนไม่เชื่อมั่นในกรรมกลัวตัวจะเป็นอย่างโน้นตัวจะไปเป็นอย่างนี้ทั้งายทั้งอย่างตัวอย่างที่ที่ไม่เชื่อมั่นในผลพระพุทธธรรมประสงค์ของเราเมื่อเราทําดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วประธรเราดีแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมเท่านั้นแ่ไม่เชื่อมัน่นที่จะปลูกบ้านที่จะออกเดินทางเนี่ย จะเดินทางวันไหนมันดีอย่างเรามากันไนี่ย้ ไ, ไ, ไปหาหมอหรือมนันนะบางคนก็ต้องไปดูไปเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่เชื่อมั่นในประพุทธประธรประสงต้องไปเชื่อหมอบ่งทอหมอเขเอยคุณจะไปเลยไม่ดีสักเล่ตับบ้าเลยนะอย่างนี้เป็นต้น เรื่องของเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคนณุณพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทําให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นเนี่ยแสนจะปูกบ้านอย่างนี้ก็เปนตาจะไปที่นัน่นอันนี้ก็ตามไปอย่างข้ อ, ขอการตามม่อยู่อุบนเอาย้ายจากนี้ไปกรุงเทพไปจะอุดรไปที่ไหนต้องเข้ามาหารข้อเดินทางวันนี้มันดี ถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเนี่ยถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันโดยมากการจะโยกย้ายจะต้องเลี้ยงกันกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยเรียบ้วรถมันจะสุดถนนให้ระวังไว้ไไ ป, ไปที่เราทําอะไรดีดีแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการกระทําของเร า, าจะมีกรรม อันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีอะอย่างนั้นจึงไม่ให้เชื่อประคดประทำประสมเราต้องเชื่อมัน่นแต่ต้งมีความเชื่ออันนี้ก่อนอย่างการกระทำของเรานี้เราควเชื่อในการกระทำของเรา <c oughs> ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้อยงนั้นจึงไม่ให้มีความสงสัยนในการกระทำของเราเท่ า, า, าที่พระราชาใส่ อย่าถือมองคลตื่นพาวถืออถือมองคลตื่นพามงคลอย่ามงคลตื่นพาวนะมันเป็นอาามองคลเขาว่ามันเป็นน่นนันเขาว่ามันเป็นี่รอย่า ง, างก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปเห็นไปมันเปล่ปปปปทาทั้งนั้นทางตงมีเรื่องหนึ่งเอเ อ, อ, เ อ, อมไปกันดูหลายๆอย่าง บางทีจะไะเอาน้ําจามนันมาน้ําทิดเกิดจากที่น่นที่ไปหาแต่มาเลยหุ่นน้ำในสายจนเป็นเลนไปอย่างสี่เอากอย่างนี้นี่มันมันตื่นตื่นเต้นเกินไปมันต้องไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นคนนิ่งอยู่โดยปัญญาของเราอย่างนี้ว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นเรื่องนี้กอฟังไว้ก่อน การทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียบถ่ายนั่นเป็นเรืให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพะุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยท้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระนัตนใจก็ลังเลสงสัยไ ม, ไม่ไม่รู้จากความจริงไม่รู้ว่าจะาอะไร ดังนั้นการทํารรมฐานนี้พระเจตานายพระเจ้าอนาตรายมีเป็นมาตรานเป็นคีพึ่งของเราทำใจให้แน่แน่วใครจะว่าเป็นอะไรคนสั่งสายแครนั้นเราทําดีเท่านั้นอืไม่ต้องสงสัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่าอมันเดินเรื่อยไปถ้าคนสงสัยแล้วก็กลับมาเราก็กลับไปกลับไปกกลับมาวุ่นวา ย, ยตรงนั้นเรียกว่าคนสงสัย ในเวลาเราสมัชชาสินเงินมันนี่เห็นไหมดิสินมันดีมั้อองก็ลองลคิดดูสิต้องคิดดูให้ละเอียด่ า, ขาเาข้าขังเราเข้าขังใคกันหมดการไม่เดียดเดียนตนไม่เดียดเดียนคนเดไม่เดียดเดียนสนมันดีมให้เราคิดสิ่บท่านบอกว่าปานาอั น, น, นา ไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่สมนของคนอื่นนี่มันดีไหมเราคิดแค่นี้ก็รู้ที่มีครอบมีครัวแล้วนะอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่ยนอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดคของง่ายๆแต่เราไมา่เคยจะคิดแต่โมาน ไอการโทษโกหกเนี่ยมันจะดีไหมไอคิดเนี่ยมันสิงชิงนะให้เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าทางเราเอาเอาแค่ๆกังนง่ายๆนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากตัวที่5ก็คือตัวไอเครื่องมืนเมา ไ, มไอคนที่ปราศจากเครื่องมืนเมาเนี่ยมันดีไหมอย่าเข้าข้างจะท้องเนี่ย นี่กถือว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์อถ้าว่าใครมีอคุณสมบัติทั้งห้าประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครท่านเป็นอะไรไม่ต้องไปถามใครอย่างพระสงฆ์เนยสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโ น, ยายโนสามีจิตปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือท่านปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจมี่เป็นคุณสมบัติของท่าน เป็นคุณสมบัติของประสงค์แกรเรียกประสงค์อุชุปจิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคําสอนขอนงพระพุทธเจ้าของเราแล้วเทนันน้นนี่เป็นคุณสมบัติของประสงค์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุปจิปันโนอุชุปจิปันโนยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรม ฮ้หาหากว่ามันเป็นสัจธรรมเนี่ยนอนแล้วใครจะบวดดีก็สั่งใครใครจะบวชตัวก็สั่งใครเพอะเราตรงของเรา ไ, ไปด้วยบางทีปฏิบติเฮ้ยท่านอยากไปทำได้ เ, เดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ก็หันกลับมาหาใถรอย่างนี้ให้เราเขา้าใจอย่างนั้นสานีจิตตโนปฏิบัติทิศเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระเราเป็นใหญ่เป็นคุณสมบัติของพระ สงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทั้งหลายสมันกัจต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนอจะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูขึ้นถามนี่ก่อนบนยอยพาผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีเอะไรนี่นมำวัาอันนี้เรื่องพระพุทธไตร เรื่องสาระตนาการต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติการทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างเนีไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในควารปฏิบัติจะไปพบหลายแห่งไปพบอาจารย์ที่อาจารบอกให้ทำอย่างนั้น ไปพบอาจารย์หม่ของขาไปทาอย่างนี้ไดยยุ่งตลอดเวลาเลยค mm. ือไม่เชื่อมั่นในข้าใจบางทีก็ทำกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านอย่างน้อยมีไปสี่สิบข้ออารมณ์กรรมฐ า, านก็ไปเรียนกันมันหลายจนไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกคุณโทคุณโทขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สม็บ จะต้องดึงเินมาทำอยู่หลายๆอย่างตลอดคืนเอาน้นมังเอานี่บางนี้วุ่นวายต่อเปล่าได้เรื่องต่อเปลาไม่ได้เรื่องแต่นี่เ็นที่ที่เรื่องทำกรรมฐานของเรานี่เรามีพื้นเคยดีแล้วในทาจิตให้มันสนุกโดยมากแต่เรามีทัศนคตาิเราจมีศีลห้าประการถ้ามันจิตพลาดไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมา เป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่แนวๆอันนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติทำมาโดยัยนน้งใอยนี้นี่เป็นเพส่วนถามที่เดียวว่ากพัฒานาใครเป็นที่สื่อของเราเป็นที่อาศัยของเราทีนี้ตามมาทามามมาํากรรมฐานนี่ก็มาทําความเข้าใจกันก่อนจาทําไปทไําไมทํำมันเกิอดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหม มันมีกระสอเรื่องมายรรมก็มาทำทใจของเราฝ้าหาจิตของเรามันฝุกจิตมันเองไม่ใช่เอียนเราเยดจิตจิตของเราไหมนะทาไมถึงจะฝึกของมันจิตทำไมถึงจะสุกมันจิตของเรานี้เกิดสมารจิตในเซลลจิตยงเกจิตของเราตามใจของมัน มาโมโหก็ปล่อยตามใจของมันมันโกรธใครเขปล่อยตามเรื่องของมันยิ่งแล้วยิงยิ่งเราเป็นประโยชนเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่ทอดแม่ยิงแล้วยิงปล่อยตามใไปเลยโน่นมันอะไสุดไม่เคยสุดกิตของเราไม่รู้จับการสิดกิตของเราทํากรรมฐานนี่ก็เพื่อการติดจิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นเป็นส่วนใหญ่ของมันจะทำทำอย่างนี้เลือกว่าการปฏิบัติธรรม พูดง่ายๆเดียวปฏิบัติธรรมที่เรามานี่เดียวมาบอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมรรคิลของเราเนั่นเองใจของเราเนี่มันนอนอมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากจะให้มันเร็เวเร็วก็สิ่งทั้งหลายทั้งนั้นจะทำให้เร็วที่สุด ในงานการทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่ค่อยสงบกันไอ้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแหละมันถ้าไม่สงบที่เราตึงสลุกให้มันตรงเครียดไอ้ความสงบที่มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราตึนตรงเครียดเมื่อะไรเป็นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องวุ่นวาย ให้ดูความสงบภ า, ายในจิตเช่นดูอย่างพระอนุนใครดูไม่สบายต้องพระอนุนพระอนุนนันท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆเราไม่รู้จักปัจจัยตรงไหนอันนี้มันะจะอันนั้นตัดีนะจ๊อันนี้ตัวดีนะจ๊ะดยดะทั้งคืนตรงนั้นแต่ทำไมเป็นอะไรดูัรงนั้นแต่ความสงสัก็ยังมีเพราะนั้นท่านเลยมาคิดว่าเออ อตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์เป็นธรรมสัญ น, น, นาเดี๋ยวพระอ น, อนุทิวง์ด้วยแต่ถ้ามันเป็นประชาชนอยู่ก็ร้อนใจมีคุณญาติหนหน่อยก็เิ่นจำเพาะอยากไปฝ่าอรหั น, น, น, นยิ่งทำไปก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไมไ่รู้เรื่องเลยจนจะสว่างเลยแล้ ว, ลวเอเรานี่มันมันมันเปนเชื่อเกินไปไหม เอเนื่ก็เน่ยเอ้งอ่วงก็ง่ว ง, ง, งแตเลยพักก่อนพักก่อนใักเสยายะหนึ่งระวางมันไวตกใงไม่ทำอะไรเลยพอทันทอดอะไรพุ๊บเฉเอ็นตายวางมีความรู้อันเดียวเอยพุ๊เมื่อจิตมันวางพุ๊บเฉยนั่นแหละนะมั น, นเล ย, ยคือจิตเลยพระเอาเงินแต่พระดูในเวลาในเวลาที่วางเนี่ต้องลองดูที่ศกเราไปนั่งกรรมฐาน ตับฟันไปดีๆสิเอาเถอะอ้เป็นตายเป็นตายลงๆงดูเถอะออนนะลองดูไดอ้วนนไอไความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้ก็ไรกลับไปว่ามันลองดูก็ไรขัดสมาธิขึ้นยันเลยอากาศควันตายเป็นตายโอ้ยเหนี่ยมันไหลาแบบนั้นเลยไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสงบมันอยู่ที่มันพอดีพอดี มันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปอมันดีไม่พอดีดีขนาดไหนก็มันพอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกนี่เข้าใจอย่างนั้นเราเป็งคนในการหามันเล่งต้องทำต้องทํำอย่างเฉียดขาดต้องทำให้มันเฉียดขาดะไรเนี่ยนัน เขานังงตับก <Yeah. S 2> <congregation. S 1> ันไปลองดูลองจริงนะลองลองกัไม่มีไม่มีทางเลยยุ่นตลอดเลยหกเมื่อเรากำหนดไปอารมณ์เเรื Сам ่องกรรมฐานนี่มันอยู่ด้วยอารมณ์มันต้องมีอารม์อารมณ์หลายอย่างคืออารมณ์นี่คือมีอารมณ์อันเดียวอย่างเราจะดูอาดูลมหายใจสอบมันมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่ออารมณ์อ เราอยู่ในโลกทมันหลายอารมณ์เต็มไปเดี๋ยวอันโน้นไม่จบเดี๋วอันนี้ไม่จบวุ่นวายจิตใจฉันไม่ค่อยสงบทีนี่พระธรรมมันมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์ฉันก็เอาอารมณ์มันเล่นจะถ้าเล่นอารมณ์มาเดียวเดินถนนเดินกระดาษเดินมาเดียวอย่าไปเล่นโขนอย่าไปเริ่ใ้อย่าเดินตรงนี้อย่างอารมณ์ที่เราจะมาถามนี่คหออารมณ์หายใจเข้า เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> เราจะเข้าใจว่าเข้าไปมันพุทออกมันโทก็ได้อย่างนี้ก็โทก็โทรหรือหากว่าเราจะไม่จำได้ตลอทโทก็ได้ถ้าเข้ามันจะพุทเองมันแบบออกมันกระโทเองมันให้มันออกอย่างนั้นได้ความว่าเราจะดูอาจารย์ของลมมันเข้าเราก็รู้จัก มันออกเราก็รู้จักนี่คือเป็นผู้รู้แต่แล้วมันเข้าเราก็รู้มันออกจรากรู้ความรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องบพุทไม่ต้องแบบโธไม่ต้องบาพุทไม่ต้องแบบโธมันจะสิเหยียบลายใช่หรือนึกกระจายไหมม่ใช่ไสว่าจิตธรรมดาเจอมันเข้ามันก็พุทออกมันก็โธอยมันเป็นอยู่ข้างในดอเราเข้าใจว่าประเทอันหนึ่งยุคหนอทองหนอ อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เราไม่ว่ายกหน่อทองหนอเราหายใจเข้าไปออกมันจะยกเองมันมันก็พองเองมันไม่ต้งไปว่ายกบ่าพองมันคือว่ายกบ่าพองคือห้ออกเสียงหนิมมันตั้งใจขึ้นมาอนความเปมันยกเองมันจะหายใจอยู่ไหมหายใจเข้ามันพองเลยหายใจออกมันยกเลยมั้มันเป็นในตัวของมันอยู่แล้ว จะทั billion, ้อาย well, ุหน่อกองหน่อมาเสริมสติให้มันชัดสบายนี้ไม่มีจ sure ิ์อันนี้ก็ไม่มีจิตรวมแล้วก็เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยที่เราทำกรรมฐานสิบนี้น่ะไม่ต้องให้มัรู้อะไรให้มันรู้รมมันออกแล้วม <sub> ันเข้าตามสบายแล้มันอยู่ทรงนั้นเลยคิดอะไรมากมายยามันคิดเหม่อเลยเนามันจะเป็นอย่างนั้นเหม่อไลยเนาะมันจะเป็นอย่างนี้อะไรยุบวายาเลยนั่งไม่รู้จับลมเข้าลมออกสบาย มันรู้ชัดจะพยายามตั้งสติึ้นไว้พอนั้นชัดแล้วมันเข้าแล้วมันออกมันชัดแล้วละเรียบร้อยไม่มีริมารมณ์เก็บจอกับขับอารมณ์นั้นจนใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเเหนื่อยไม่มาเดือดร้อนแบบนั้นอืมยไม่มีง่วงอืมถ้าเราไม่มีง่วงเราจะรู้ตามความจริงของมัน ถ้าคนมีง่วงบางทีระดับตาเคือมไปอีกอ้าวมีอะไรกมรู้แสงอะไรมา่านกันนุกอันนี้คืออะไรรู้ายตลอดเว ล, ลาอย่าไปหมายถึงอนนั้นนี่เดียวเราทำนกจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนเลยใครรู้จักนะไจิตของเราอยู่ยังไงนี่เนะเราจะสึกจิตควรรู้ไหมว่าจิต่มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนี่นี่มี้องทางทาใจก่อนถ้าคนจะสึกจิตต้องรู้จกักจิตของเจ้ของ ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยจิตมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันเป็นอย่ า, น, ย น, า, ยานี้แต่เราไม่ได้จับกันถ้ามันวุ่นวาย ม, มันก็ต้ อ, องมาจีบระวุนวายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะจอความวุดนวายของมันตรงไหนตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะสึบจิตเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรถึงจะรู้มันนี่นี่ถ้าเราพูดให้มันชัดต่อไปเนะี่ย จิตนี้มันก็ไมาใช่อะไรนะไี่ใครว่ามันคืออะไรไม่จิตเหรออือจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันกอไม่ใชอะไรความรู้มันก็เป็นความรู้ของมันนี่ถ้าเอาชื่อจิตมาทราเข้าไปโดยหลงรู้มันก็จะรู้จิตมันคืออะไรเนาะแล้วมันคิดเกินไปช่ อย่างนั้นเาพูดอะไสาไงง่ายเดีว๋ว่ะไอคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละใจายงั้นนะง่ายสุบางนะทีจะไปนคนนดเจ็ปวดหัวไม่รู้เรื่องันอยู่ตรงไหนไอคนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ั่วสารพัดอย่างคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่สมมติว่า้รู้แต่จะรับผู้รู้จริงๆก็ไม่ได้ เพราะมันมีผู้หลวงมาบนเตมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้จริงๆดี๋ยวก็พุโทโธแล้วเป็นต้นไม่มีทุกข์คือจิตที่สึกแล้วมันรู้จริงๆเนี่ยเป็นพุโทโธมันรู้อารมณ์อันนี้เรามีหมายถึงความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็ทิ้งใ้ใจอ่อมันรู้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าจิตของเรายงังม่สึกไม่ได้อบรมที่นี่เราความรู้สึกมาอบรม คุกให้มันดูเท่าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมาเนาะดูเรื่องของมันจนตอนที่จิตมันสงบเมื่อจิตสงบลงไปพักหนึ่นะเราจะเพ่งให้มันไปก็ไม่ไปหรอกจิตเดียวไปนะครับมันไม่ไปแล้วใช้มันนั้นเนี่ยใช้มันสงบความสงบนั่นแต่เดียกว่าเราก็ไปโบกตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญญาแหละยังม่มีปัญญาอะไรตรงนั้นอ่ะเราไปสงบดูซิ สบายถ้าเท่นั้นอย่า ง, อ ย, างอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมาธานี้เข้าไปให้สงบเฉยทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็ได้ความสงบอย่างนั้นมันเป็นวางครงไม่แน่นอนนะเ น, นี่ยนะอืมไม่แน่นอนนานๆจะได้เป็นทีนึงบางทีวันนี้มันสงบแล้พวพรุ่งนี้ไปทําไม่สงบอีกเอ้าเราก็แปลี่ยนใจนะ วันนี้ทำไมมันสงบดีไปเ้นวันนี้ทําไม่ในเรื่องในราวไม่เป็นอะไรเนาะไปไแต่คุกมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ความสงบตอนนี้ให anyway, anyway, um, well, right. so ้ดูเรื่องแต่ว่าไอ้ความสงบตอนนี like ้เป็นเป็นความสงบที่แน่นอนอย่างอย่างหูเราก็มีอยู่เครื่องรับมีอยู่แต่แต่ที่ไม่มีไม่มีใครมาพูดให้เราได้ยินเหมันเมื่อด่าเราได้ยินไม่สบายนะเหมือนความตรวจไม่มีนะเนี่ย อีกวันหนึ่งเาเเรื่องอยู่นมาแยกกันไปอีกทีมันขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่มันอยู่อย่างนี้ไอ้ความสงบอย่างนี้คือความสงบที่มันปราศจากอารมณ์อืมันก็สงบเลยเนี่ยต่อเมื่อมีอารมณ์มาพัวพันปุ๊บเป็นปัจจัยแล้วเป็นต้นเติมขึ้นมาเลยเกิดดีใจขึ้นมาเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาวุ่นวายในบ้านเราเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยมั้งความสงบนี้เพราะว่ามันไม่ขาดสงบนี้เพราะ ไอ้ความสงบเรื่องสมถะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญาความสงบเฉยๆนี่สงบเพราะไม่เห็นอะไรตาไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรอะไรนี่มันก็สงบเฉยๆนี่จะอย่างนี้ก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันสงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเขาว่าไม่ได้ยินเขาว่าอะไรเพราะนั้นน่ะมันก็เลยสงบ เหมือนใบไม้ในต้นไม้ไม่มีลมมาพัดไปมาหมดเชื่อมันไม่สึกมันก็สงบเฉยนะถ้าลมมาพัดมันก็ปล่อยแรงจิตขนาดนั้นเหมือนกันกับใบไม้อยู่ในต้นไม้นะเมื่อม่มีลมมาส่งปล่อยแรงเมื่อม่มีลมตัวนี้มันนิ่งขนาดนั้นอย่างนี้อันนี้มันมีอย่างหนึ่งอยู่ที่เรื่อความสงบนนั้มันมีอาย่สั้นมากที่ความสงบเป็นแล้วความสงบมเฉพาะอะไรอาศัยอารมณ์ที่เราจดจ่อกําหนดตัวเอสงบสุดที่ นี่ทันเดียก์่ะสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสกิเลสอยู่ในบ้านเยอะแต่มันสงบจิตชั่วสามอันนี้เป็นท่อนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอันนี้เป็นสมาชาติสมถานสงบจิตทีนี้เมื่อมีความสงบเช่นนี้เนี่ยไอสติมันค่อยมีเกินมาดีกว่าที่เราไม่ทำเราเคยสงบแล้วที่เป็นอรมณ์พัดต่อไปจะต้องสร้างปัญญาให้เกิด สร้างยี่ปัฒนาให้เกิดใมันแก้งเข้ามานี่ความสงบที่ไม่มีใครไม่มีไม่ได้ไม่ได้ยินใครว่ามันกติงบขัน้นเป็น ใ, ใครว่าก็าวุ่นวายเข้ามาต่อไปนี้เราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปอยู่หรือหูได้ยินเสียงอยู่เป็นต้นฉันจะให้มันมีความสงกคือทําจิตให้มันรู้ขึ้นมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เรื่องนมากกว่านั้นความสงบสงบด้วยปัญญามันรู้ชัดด้วยปัญญานี้ นี่แค่นั้นแต่จะต้องจะต้องห่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดก่อนอะไรจะทําปัญญามันจะให้อาหารมันเลยเลี้ยงปัญญาให้เกิดเหมือนเราข้าวไอ้น้ามันมา่โต๊ะ้นมาปัญญาให้เกิดมันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันเหมือนสมฉะปัญญาก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่สมมาฉานั้นนะใช่บหมปุโุปุถุเดียนาปานสติให้สงบได้ แปลว่าอาหารของปัญญานี้ไม่ใช่อันนั้นอีกเปลี่ยนอาหารเนี่ยมันเมื่อารมณ์มันมาถูกไปเมื่อนั้นมันสงกแล้วเป็นพื้นฐานเป็นในพจน์เป็นกันเอกันแล้วต่อนี่ไปแจ้งาให้จิตเราเป็นทุกข์ไหนรู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องเปลี่ยนอาหารในมันเลี้ยงมันอซะยืนอยู่กับที่เก่าของมันอะไมันมีความสงบอยู่แล้วเป็นพื้นเมื่ออารมณ์จะมาเกิดจะมาอย่างนี้เราก็ชี้ให้มันบอกนี่ อันนี้มันมนเที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็อเองอันนี้มันในเที่ยงมันจะไม่ชอบขนาดไหนตัวจะวิ่งต่างอันนี้มันมนเที่ยงบอกแค่นี้แหละมันก็โตแ ล, ล้วอืมมันโตขึ้นมาฮะทําไมมันถึงโตทํานั้นนี้จะรู้จักมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงตามที่เราพิจารณาอยู่นั้นแหละอืมอาการจิตของเราผู้ที่รับอารมณ์นั้นในความจริงผู้ที่รับอารมณ์เราไปเชื่อเกินไปใช่ไห อันนี้เขาว่าดีเลยไปตะคุบเลยมันกัดเราเอาใช่ไหมอันนี้วางไม่ดีก็ไปตะคุบมันมันกัดเราทั้งนั้นะดีมันก็กัดเราไม่ดีก็กัดเราทั้งนั้นหละถ้าเราบอกว่าเราไม่ตะคุบมันเกิดไปมาเอออันนี้มันไม่แน่ไม่ตะคุบมันมันไม่กัดดูไปดูไปดูไปอย่ดื้เออมันก็มองดูข้างหน้าทางนั้นก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ไมนกัดมันแน่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนทักอย่างนีง เม่เห็นทัตุชนิดนี้นะอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ในความยึดอุปทานกันน้อยเขมาน้อยเขามาน้อยเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาจินตาธรรมดาเป็นหู้ธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาจักเจว่ามันชอบจักเจว่ามันไม่ชอบจักเจว่ามันทุกข์จักเจว่ามันสุขสักเจว่าอะไรนั้นหนึ มันก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันด้เห็นภัดแลยอารมณ์ของธรรมชาติของเรานี่แต่มวันมันสงบแม่มันดีเรือเกินมันมีนะนี่เรีไปจะพุ่มันเต็มที่เลยพรุ่งนี้ไม่สงบอีกเลยโอ้วันนี้ตายทําไมมันจีเนาะมันเสื่ยงเปนไงเนาะก็เลยวิ่งมันจะน่าถูกน้าร้อนเห็นไหมนี่ต้องอดทนอย่างนี้นี่มันยากกันอย่างนี้อืที่เรียกว่าไอ้ ไอ้ไอ้ิปัฒนาเนี่ก็คือความรู้ตามความจริงๆผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่ก่อนผู้รับรู้อารมณ์มีความสําคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นแบบนี้จิตของเรานัเนี่ะคือที่ผู้รับรู้อารมณ์นั่นมันรู้ได้จริงๆนะรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางเห็นไม่นตะคบมันกัดมันเค็จละเมื่อดีมาฉันก็จะคบเมื่อไม่ดีมาฉันแต่ก็มันกัดทั้งนั้น พอเห็นเช่นนี้ว่ามันในเที่ยงกันในตะกุกมันก็ไม่ัแตกตัวอารมณ์นี่ก็สักว่าอารมณ์สุขก็สักวาสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์ก็เป็นตรองมันอยู่อย่างนี้จิตมันเห็นเช่นนี้ปัญญามันเกิดเป็นปฏิภาณตามความจริงแบบไม่มีการปล่อยวางในตัวตนอย่างนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วโตถ้าเป็นเด็กวันนี้มันโตขึ้นมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนอาหารเนี่ยอย่างนี้มันอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าให้เราให้ชื่อมันะ ปฏิบัติทำปฏิบัติทำอย่าไปแยกอะไรมันเลยทีนี้การอารมณ์ทางหลายต่งางๆที่เราทำกันนั้นนะบางคนก็เอาอยางนี้บางคนก็เอาอยางนั้นสาราพัดอย่างความเ็จริงอะไรจะมันถูกจกติตของเรานั่นแหละแต่ละคนละคนมันมีจกติดอยบางคนบางคนมีความปวดง่าย เราจเดือดอยู่ก็หายใจอยู่เราจะนั่งก็หายใจอยู่คุณยังเรานอนก็หายใจอยู่นั่นที่ไม่หายใจก็ตายไปนล้ะใช่ไหมที่เรานั่งอย่างเฉยๆไม่ต้องไปเคาะเอาตรงไหนมาสมรถตรงนี้ก็ดูแลมันง่ายสุดแต่วันนี้แล้วเอาตรงไหนก็ได้นั่งทํางานอยู่ก็ดูได้พักงานก็มีอยู่อารมณ์มีตรงนี้ไม่ต้องไปทำขันห้าขันแปดเลยสมาบันวุ่นวายยกตรงนี้ขึ้นเป็นอารมณ์มันง่ายสุดแล้ว จะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนทุกอย่างเท้อบางสังกัถูกจะดีตร น, นี้มันก็ง่ายนี่นั่นก็สงบขึ้นจิตนะไราที่เรียก ว, ว่ามันไม่สงบนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อยากเข้าใจว่ามัน ม, มีนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่างพ่อเคยพูดใน้ำว่าเราไปสอบวิธาอันหนึ่งที่ต้องเขียนปัญหาให้เราตอบ เราอ่านปัญหานี่ไม่ได้เลยต่อไปถ่ายเด็แต่มันมีเถอยอยู่นั่นมันมีอยู่ถ้าแต่ถ้าเถอมันมีปัญหาไม่มีแล้วนี่เราแพ่คที่มันมันมีอยู่ไอ้ความพุ่งสร้าลําคานเนี่ยวุ่นวายมันมีอยู่ความผูบมันต้องมีอยู่มันไปที่ไหนครับเหมือนพระพุทธองค์ท่านสอนท่านเรียนท่านไม่มีอะไรแล้วกันท่านปฏิบัติทั้งแรกอืจะมีอะไรเ่็นปัวเรียนรงไหน ท่านมาพิจาณามนุษย์ความเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านว่าเออมันจะทําไงนาะมันมีมืดมันก็มีสว่างเนี่ยเนี่ยคราวนี้ธรรมดาธรรมดามันมีสว่างแลยมันก็มีมืดมันมีเกิดแล้วมันต่อมีตายเพื่อมันมีเกิดแล้วไม่เกิดมันตน้องมีมันกัดท่านย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านไปรเรียนตำพีตรงไหนหรอกย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านจะไม่พอใจ เมื่อมันมีสว่างมันก็ ม, เมีเมื่อมีเมื่อแต่ต้องมีสว่างท่านเห็นว่าความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์หลายไอ้ความไม่เกิดจะไม่มีไหมไปยืนยันตรงไหนไม่ได้ท่านบอกมีอืมีได้มาจากไหนเพราะไอ้ความเกิดมันยังมีไอ้ความไม่เกิดมันก็ต้องมีไป็นแม่ เ, เนี่ยเท่านี้ทําไปทําไปทําไปทําไปจึงเห็นชัดๆจะมาคันที่ความเกิอดอือโอ้ไอ้ความทุกข์มันเกิอดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นะมันเกิดอท่านดูเรื่องของมันแได้คืออุปทานความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาใช่ไหมมันพักรูงแกนกันมาเป็นความเกิดขึ้นมาอืมมันต้องเกิดอืความเกิดเกิดเดี๋ยเกิดเพราะอุปทานออุปทานยึดมั่นถือมั่นมันเป็นภพเป็นชาติอุปทานมาเกิดภพภพมาเกิดชาติอืมมันติดต่อกันไปอเป็นไปจิตใจสมุปาารธรรม ท่นเนี่ยไอความเกิดเนี่ยเพราะอะไรอุปาทานที่ทไปยึดมั น, น, น, นมันก็เหมือนการไก่กนนต้นไม้ในสวนเรานะเอาต้นดำใยญ่ต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมีอยู่กับของเราเนะนี่ยเราก็รู้มันจยูทุกวันเนี่ยนั่นเรียกว่อุปาทานนี่ยเดินไปเดินมาต้นดำใหญ่ต้นไม้ต้นของเราแบบนี้อืมทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นครับ เราไปเห็นต้นลำไยต้นนั่นเราก็นึกวมันใส่ทังเรานะนเราเรดินไปอีกวันหนึ่งนะเขามาตัดต้นลำไยอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็เมื่อตทุกข์หลายเพราะมันมาตัดของเรานะมีเรื่มันเกิเดเรื่องอีกต่อไปมันตัดต้นลำไยต้นดินของเขานั่นแต่กาเราก็ไม่ติดทุกข์เพราะไม่ใส่ลำไยของเราเนี่ยมันตัดของเขาเนี่เท่านี้แหละมันทําให้สุขให้ทุกข์โดยเกิดมา ถ้าเขามาตัดของเราจะเป็นทุกข์กันมาเพราะว่ามันติดของเรามีอุปทานนี่เอ ง, เอองเอมันเกิดแต่นี่เกิดนะนี่คือความเกิดมื่เกิดตรงนี้เกิดทุขเกันมาเกิดทุก ข, ข์กันมาอะไรตรงมาเกิดเพราะอุปทานนี้นี่แค่นั้นแต่เป็นไงคิดจงมาเป็นอุปทานให้เกิดชาติเกิดพบพบเปนเกิดชาติชาติเกิดสลาปยาภิมาละนาะมีพระพุทธองค์ท่านจะเห็นเต่านี้หลยเห็นทัดตระกามไปได้เกิดเห็นความ ช, ชัดแจ้งขึ้นมาอย่างนี้ ท่านก็หายตรงซ้ยนี่เดียวอะเราฝึกจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือในตัวตนของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีจิตดวงนี้สำคัญมากเนี่ยถ้าจิตนี้มันหลงมันหลงไปหมดตามัมนก็หลงหูมันก็หลงมันหลงไปทั้งหมดนั่นแหละนี่ฉะนั้นท่านจึงว่าให้ฝึกจิตที่เรารวมเดียวว่าจิตจิตนี้พูดง่ายๆนะคือฟูตีรับรู้ อยู่ในอยูในโบริเวณนั่นนี่คูณกี่กับรู้รับรวดรับรู้อารมณ์ อ, อืรับผู้อารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่ดีมันกบดีใจแฉะมันดีใจมันก็ยังเมตไม่ใช่ของมันอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ยังเสียใจเกินไปอันนี้จิตนั่นด้วยยังโงอ่งนี่นี่เรามาต้องการอันนี้แหละที่เรามาทำกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านกันนี่แต่ว่าไม่ใช่ง่า ย, ายนะโ ย, ยมนะอืไม่ใช่ง่า ย, ายนะมันลําบากเหมือนกันนะ ลำบากแต่ว่ามันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากกันแหละอืมันก็ง่ายอยู่ที่ทีมันยากกันแหละเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาของเราทุกๆคนจะให้เรามีความลำบากจากแค้นอยู่ในความคิดจิตของเรานี่ไม่ใช่อินทร้อที่ไม่ใช่แบบไปทาาาํารราฐาน้นมามันหายเลยไม่ใช่เลยนะมันต้องมีความเข้าใจเลยถ้าอะไรที่เรียกว่าของเราอยู่แล้วเขตัดอะไรก็เจ็บเมือนนั้น จนป๋อเห็นว่าเกี่ยวกอันนี้ท่านว่าอนัตตาถ้าเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวเป็นตนถ้ามีตัวตนอันนั้นก็เป็นของของตนอะไรอะไรของตนอย่งนี้พอมันมีตัวตนอย่างนี้หลวงพ่อเคยพูดว่าไอ้ธรรมะนี่ถ้าฟังก็ไปชัดชัดแล้วมันใจมันถอยเพราะเราสร้างเอาใจตัวตนทั้งนั้นตัวเนี่อันนี้ของฉันนะมันของฉันอย่นี่นะ อันนี้ลูกชั้นนั่นสมบัติของชั้นนี่นาะแต่พระสมเด็จในฟังอันนั้นต้องไม่ใช่ของเรานะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะท่านพูดตามความจริงในฟังจริงจริงไม่เข้าใจเมื่อกีโกรธแต่พระกระดืบเรานึกว่าเป็นของเราแล้วแต่มาพูดว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนี่ยอ่อนใจแต่ไม่รู้จะทําไปอะไรเ น, นี่นี่เราคิดม่อี คิดใหม่อีกคิดใหม่คิดใหม่ห ม, มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่ในนี้นนเราทําไมมันถึงงัดเนี่ยจิตใจเราออกไม่ได้ทําไมมันหลงติดแน่นอยู่ในนั่นแหละด้วยพูดกันง่ายว่าเมื่อไอคําสอนของพระเจาสุดเนี่ยเพื่อจะมาให้มีทุกข์ไม่มีทุกข์กเกิดขึ้นมาโทษได้ทางในความเห็นเนี่้สําคัญหมั่นไหมทำลายอัตตาก่อนนี้ อืแต่คนเราไม่ค่อยชอบใจไอ้นั้นแต่พระพุทธองค์ท่านหมายว่าไอโ้โรคเยู่มันเป็นทุกข์ท่านจึงไม่ตัดไม่อยากให้เกิดแต่ท่านว่าไม่อยากให้เกิดได้วเราก็ไม่พอใจกันะลช่ไะเนี่ยเนี่ยไม่อยากให้เกิดเกิดเมื่อมันทุกข์ทุกข์ไหมล่ะโยมเมื่อกกกเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีพ่อแม่ตาก็มีหงสก็มีจบูกก็มีอะไรวุ่นวายหลายอย่าง ติดตัวมันมีทั้งหมดมันเพราะความเกิดที่มันเป็นทุกข์ถ้าพูดตรงธนว่าตัดพบตัดชาติที่ยนเกิดได้น่ะอยาเกิดมาได้มันมันเป็นทุกข์ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมขอเถิดนะอยากหนีไปเลยขออยู่นี่แหละมันอุ่นวายเลยเต็มอามณ์ะถ้าพูดตามธรรมะจริงๆคนจะต้องนึกถึงธรรมะจริงๆมันจึงเห็นธรรมะอย่างนี้คือเท่าไรที่มันไม่เที่ยงเราจะใจมันเที่ยง อันนี้ไม่ใช่ของเราอยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไมได้อย่างนี้ที่พระพุทธองค์สันสัตว์ไปถึงที่สุดได้จะให้เราสะ้นจากทุกข์ันด้มันทำยากทีนี้ผู้ที่พัะเจ้าปฐมนนพลทุกข์อย่างพระอดีเจ้าของเราเถ้ากาคนเราเห็นถึงวันนียผมจะสงสัยว่าจนดปปาโดดไปตายตรงนี้หรน อะไรเราลักเราชอบท่นานมาในใจของเราอะท่านตรงนี้คนเป็นประสาทแต่มื่ไม่รู้ว่าใครเป็นประสาทแม่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอะิรการไปการมาการพูดการจาการการทําของท่านก็ไม่เหมือนกับคนจริงจปัญหาแล้วก็ดูไม่ออกใช่ไหมไอ้แท่งทองแท่งนี้ทัา น, นมาเป็นดิมเราไปเป็นแท่งทองเนี่ย ถ้ามันเสียไปเราล่องให้มันไดยท่ามันก้อนดินก้อนหนึ่งจะเสียทิ้งออกไปนี่มันเป็น Alpha ดุนแต่ว่าเราว่ามันเป็นทองมันไปแต่ในรูปนี้ถ้าหากว่าเสียไอ้ไอ้ก้อนทองมันทิ้งเราเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นดุกษัตริย์หรือมั้งเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นนีการการปฏิบัตินี่อาตมาเอาเอาเฉพาะเพียงว่ามันเป็นสีเราทำใก่อนนะเครื่องชิ้นทำนี้ถ้ามันโกรธมาให้โอดไป อย่าปล่อยตามใจมันเลยมันอยากขึ้นมามากแต่ทำปล่อยมันในน้อยลงให้พอประมาณอย่าปล่อยตามความอยากมันเลยอะไรอย่าไปปล่อยมันเป็นที่มันแค่ปล่อยเป็นที่โรกแต่เป็นออือให้อดไว้ให้สั้นไว้มันโมโหมันแค่อย่าปล่อยเป็นที่ของมันมันไม่สบายใจจะปล่อยให้เป็นที่ของมันแต่ให้มีสีะทําไวคราวนี้ก็เด็ก่ามันพอสมควรอย่าเล่าเราแต่เราให้ทําสมาธิมันมีรีลี่ไปมันเห็นแัดคจะไป มันค่ อ, คอยๆจะดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่มาพุกพับ พ, พุกความเอาเลยใช่มานี่สี่สือนั่นได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวาดิอ้าใครจะไรได้กลับไปกรุงเทพบ้างเนี่ยมีอะไรมเด็ก<ะ> ม, มีกาไรได้ขาดทุนได้ อ, อยู่ทุนนี่ฮ้ <c oughs> <c oughs> ได้กลำไรเอย <c oughs> อันนั่นก็ดูเอาเองยิ่งพอยถามล็มอกนี้จากเลยเนาะไอ้ความปจริงที่จะมาอย่างนี้มันจะดีนะมันดี มันละกิเลส ย, ยังหนีได้เหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่นี่มันจะมองเห็นสภาพหลายๆอย่างความรู้สึกคิดมันก็รู้อไรด้หลายอย่างไอ้นคนที่อยู่กระที่จะเป็นไปแก็ไม่ดูเหนือดูใต้แล้วเขานี้วยกันบำบัดทุกปีก็ควรมาอย่างนี้เนี่ยไปถลรมกันลนะนี่ะไปถล่มเหมือนพระมีทุรมโยมมันใส่รถจกบิ๊กมันมานะพูดแค่นี้แหละและ้วก็ ใครมีปัญหาอะไรก็เรียนถามด้อย่มีพูดหลายไม่ใช่ได้เด่นเขาไม่ให้พูดหลายใะแล้วอาศัยเขาอยู่มีไหมขาดข้ออะไรไหมมีปัญหา ขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคนนี้ถามถามอาจารย์ไปเลยอืถ้าถามเรื่องประวัติอาจารย์คือขอถาม ท, ท่านอาจารย์เองเกิดความสนใจในธรรมะนี้ตั้งแต่มือรายและเพิ่งเกิดความสนใจต อ, อนเป็นแดกฤตหรือยังไงเกิดขึ้นอปลกฟ้าไหม น, นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยครับเนี่ย มสายั่งใจมีครัวเป็นคนที่สัตย์ในโซโหกัยชอบนีสายตรงไปตรงมาอยู่เสมอถึงในแบงของกันนะหาเงินมาหรือหาอรามาชอบแบบงเนี่ยชอบน้อยกว่าเขาเตรียครับขาจะไเจอคนอื่นแบ่งเป็นนี้รื่อยมาเปนตลอดมาเรื่อยเมื่อธรรมธาตอันนี้มันแก่ขนมาก่อนมันก็เกิดมีควารู้สึกึกคิดอยู่น่ะ ในว่ดดังนั้เราคิดอย่างนี้จะถามเพื่อนเขาไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรื่องมันเป็นมีบานะครับมันเป็นมีบาคของมันเองมันเด็กเรากพิจารณามันเดือดมันก็โตของมันได้เลยมันเป็นเหตุในทำอย่างนี้มันเป็นเหตุในคิดอย่างนี้เนื่องจาเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กนะชอบเล่นนะท่าเล่นไเด็กๆบางคนชอบชอบอยากเป็นนายคนครับมีดูกนองในหลายคน อาจารย์เลยเอ่อก็ออไปเป็นเย็ง เ, เป็นเงินครั บ, รบเด็กมันต้องเป็นอยู่น้องหมดครับบางทีก็จะ เ, เด็กเด็กนะคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระซึ่งพ อ, อ, อ, อเด็กๆมาก็ให้มันเป็นโยบุปผา อ, อ, นะอ๋อนะถึงเวลาเด็กมาก็ทีนักข่างเพลงเพลงเพลงเพลงเพลงเพลงจะเอากนใหม่ใหม่จริง <laughs> uh, <laughs> he said for him it's a, it's a kind of karmic result that he feels is very very deep in the sense that when he was even a very young child um, he didn't like to get into competitive situations with other people or if he had things he always liked to share them and give away more than he kept. He said that when the children would play different games like playing house and the stuff the children do. He always wanted to play monkey. He s i d u a t t higher than that." I want to be a disciple of e s u s He a i "Never give t p n e v e i v e up. It's a g r e t h a l l e n g And h e n I'm o n g to be. ญะยะโตเป็นม่อายุประมาณสัก 15-16 ครับเบือ่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่ครับคิดไปกับเบือ่อไปคิดจะไปคนเดียวไปดิไม่รู้จะคิดไปไหนมันเป็นอย่างนั้นมาอันนี้ก็หลายปีเหมือนกันมันชอบคิดในใจเบือ่อเบือ่อไม่ไม่รู้เหวินเบือ่ออะไรก็บเบื่อมันครับไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากไปคนเดียวอยากจะไปองั้นไม่รู้เรื่องมันอยากจะไปอันนี้เป็นระยาหนึ่ง แล้วช่ไหมาบวชกัน น, น, นี่มันเป็นอิสืมแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รมู้มันนะแต่ว่าอาการมันจะดีจะนี้ตลอดนะเข้าถามต่อไปสําหรับท่านพระอาจารย์ตอนเพิ่งข่าวบาทิบัจะสุดตนเองเกิดปัญหาอะไรบ้างท่านอาจารย์มีปัญหาอะไรคาออะไรนะที่สเสดนเลกที่ว่าไม่จบแล้ว ที่จะเอี่ยที่ทอเข้าไปปัญหานี่ในชีวิตนี่มันปัญหานี้โทษไม่จบสิมากที่สุดอืมนั่ว่าบางบางวันเนี่ยปฏิบัติเน่ะทุกข์มากแก่ตัวอืมครับทุกข์ก็ต้องพอใจทําครับบางวันอยู่ตามป่าเนี่ยผนตกกระทันคืนหนึ่งนั่นเลียก ถึงชีสกงจะฟองต้องนั่งร้องให้น้ตาต า, <c oughs> ตามันต้องไหล น, ลาน้าตามันไหลทั้งมีใจด้วยทั้งมีศรัทาตรงที่ให้ใจไม่บอกไม่รู้รถอันเนี้ยครับให้หยุดไม่หยุดครับกล้ามากตุดใจกล้าอีกาอันหนึ่งมันมีนิจฉุอยู่ครักินได้ฝรังมาวันต้องบอกโวมันเจนมิเนีย่ยครั้งแต่เป็นเด็กขนาด ไม่กี่เีหรอกเคยไปดูหนังกักนคับเ ข, าเขา้าฉายหนังเคยดูหนังนะครับเป็นเยอะๆเจ้า ก, ก็ไปนั่งเห็นเห็นเห็นฝรังคนหนึ่นั่งยานะยาตัวยาวนะจ้าปกนะนัก่ก็ว่าสูยาเนี่สเป็นได้้ เ, เออไายเลยขึก็ขไนไปตัยใหญ่ละใหญ่เลยคือ ยังติดตามนคิตใจมาตลอดทุกวันนี้ครับอันนี้จีิีๆเป็นพวกฝรั่งมาเยอะอันนี้มันเป็นอีกอยู่เสมอนะอันนี้ไปพูดจะมีโทรฟังเนม่ยน้ำตัวครับยาตัวยาวขนาดตัวร่งตัวนี้จะเหมือนยาวอันนี้เป็นแค่ไทยฝรังมาไม่เป็นยิ่งนี่ยครับอันนี้มันเป็นเนี่ย อันีรกุดเป็นเหตุมันเริ่มปลากรดอยู่นั้นครับต่อมากอพอดีเห็นซูมโทมาเลยเหมือนซูมิโทรนั่นแหละครับโทรดีใหญ่าน้ครับยาเรานั่งเบ่งอยูพอดีซูมิโทมาถึงนครุปเรเห็นอยโอมันเป็นพลังเลยเราอ่ะเราเห็นในในหนังเนี่ยเราปวดซูมิโทรไนอืมอย่ในหนังนั่นน่นมันเปนอยู่เป็นกจครับอันนี้จะมีสายเนี่ยมันติดมานะอืม อย่างนั้นมันจึงมียากสลังมากทั้งคู่ภาษาอังกฤดไม่ได้แต่พสลังยอมมาอยู่ด้วยเราต้องพยายามยอมฝึกให้เขาดูกัตธรรมตามความพอใจของเราซึ่งเนีซึ่งเนีนเขาไม่ไม่รู้จากประเพณีอะไรจั้งวันเกิมของไทยเราก็ไม่ถือเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ช่วยมาเดี๋ยวเองมา อันนี้พูดแต่มันเป็นมียายมันมาน่ๆแต่มันไม่มจบหรอกเนยอืมม่จบตรงนี้คนนจี้ันมีบอกว่าฟังอาจารยา์อยากบวชแล้วอืมถึงเวลามันบวชได้ครับ่อยทำไปแต่ก็มีความสนใจอยู่เสมอครั้งที่เราจะทำอะไรมีความมีความรักรูปกก็พิใดนัน มีกองเกลียดูู้นึงคนทีจะนั้นมีกองไม่แน่นอนสองสองอย่างที่จะนั้นจึงกลัวมันเห็นมันก็เกิดคู่ดีสักสักยกหนึ่งก็จบกันนะครนไม่ใช่ติดอยู่ในในในความสุขในความทุกข์มันเป็นหีที่ดีกว่ากามมีจะกามไหมครับคกามนี้พระพุทธเจ้าด้วยราปทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันจะมั่นกันตะโคนกินเมื่อตรับสัหม เนื่อมันเข้าในที่ฟันนะครับใไหมครับเก็บ<อ>ปวดทเิจเอาไม้ไไมายีนมันออกอ๋อมีแห้งเลยสบายนะนอนยัคิดอยากอีละอยากเนื้ออีกจะก็มาจดีเนื้อมนันก็ยัดเข้าไปในที่ฟันอีกกรปวดอีปดจะหาไม้มาแย้มมันอกีมันออกนะโอ้สบายลนก็อยากี<ฮ> <c oughs> ใช่ไหมไม่ร <çocuğ Shim Brother> ู้จ <masked Arabic> ักนี่งั้นก็เป็นสาเหตุสำคัญการยกมีการเลยนะกามีกามมีขนาดนั้นนะไม่ไม่ดีกว่านั้นพอไปนั่งเขาบอกว่า You eat some delicious uh, meat of some sort, but the fibers uh, get stuck in your teeth and it hurts and it's uncomfortable. So you get a toothpick or something and you get them out and then you're happy again. And then you think, gee, but it tastes it's so good. And you go and you get some more and you eat it and i u gets t u c k in your teeth and it's painful again and you have to c h e c k it out. You think you're done with it and then a little while later, oh, gee, but it's so good. And you go and e a t some more. And he said, it's really important in practice to begin to understand the process. And the endlessness of desire mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> itself.